ยังอยู่นะเราดูโดยอ้อมดูโดยตรงดูอะไรต่างๆเห่านีนเน้เราจะมองเห็นว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยไม่ใช่อาศัยปัจจัยเดียวจริงๆหลายๆปัจจัยผลหนึ่งผลเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุเหตุเดียวจริงๆมาจากมากมายจริงๆทั้งที่ตัวคาจุนทั้งตัวเบียดเบียนทั้งหลาย ยังบอกว่าชีวิตนี่เราแฝนอยู่บนความไม่แน่นอนเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่เราป้องกันหลักกา ร, ะรอะไรตา่างๆเนี่พยายามเขาต้องบอกว่าเมื่อเราทําจนดูแลจนดูรอบคอบแล้วแต่ถ้ามันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็ใช่ไหมอะไรมันเกินก็เหมือนถ้าเราดูอย่างดูก่อนขึ้นาบดีทั้งหลายะท่านทํามาตามลําดับไปห้าข้อประข้อที่5นี่นะ ท่านก็ประดิษฐานไว้ในพระศาสนาเบ็ดเสร็จถ้าอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะมีการป้องกันโจรภาาัยอคีภัยราชภัยไป็ต้นเบนะ็ดเสร็จขนาดทํามาขนาดนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะบะเจริญทานในกุศลอย่างถูกต้องแล้วนะียถ้าหากทรัพย์เหล่านั้นมันจะล่อยหลอไปมันจะหมดสิ้นไปกัลยาบดีนั้นก็ไม่ไม่เสียใจใช่ไหมแล้วก็จะภูมิใจแล้วว่าตนเองนั้นได้สร้างปัจจัยสร้างกุศลมาดีแล้วแต่ถ้าจะเพิ่มพูนขึ้น ท่านก็ชื่นใจท่านตามนั้นจะมาอันนี้ท่านก็วางหลักวิธีให้อุบาสกบาสิกาได้คิดข้าไว้ในพระสูตรที่พระศาสดาตรัสไว้โนน <c oughs> ยมกล่าวว่ามันเป็นการเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องกุศลเป็นเรื่องของจิตจริงๆกับทำให้จิตอาหารมากขึ้นจ้าว่า เราจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นจ้าโยบวกกับความพังพร้อมแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เกิดอย่างมหาบุรุษเอตของโลกความพลาดเราเยอะแต่จากการที่เราได้ยินได้ฟังเยอะๆ อ, ะอุปสรรคโยบวกกันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราใช้ปัญญามากขึ้น <c oughs> แล้วมันจะเป็นการฝึกฝนเพื่อต่อการที่จะรองรับทานกุศลที่ได้รับยิ่งใหญ่ต่อไปจ้าอ่า น, นเข้าใจนั้นชัดเจนก็คืออย่างนี้เราดูตรงไหนดูพอเวสันดร เห็นไหมตอนที่ท่านถูกขับไล่อ่ะแล้วท่านวางใจยังไงดูตรงนั้นอะชัดเลยนั่นแหละแล้วท่านเรียกนางมัตซีมาเรียกลูกเรียกเมือมาแล้วท่านก็สอนเห็นไหมท่านไม่เคยร้องห่มร้องไห้โอ้โหยุ่งแล้วเนี่ยตนเองต้องไปตกระกรรมลําบากเนี่ยจากการเป็นผู้นำเนี่ยนะถูกขับออกจากเมืองเลยเนี่ยมองเห็นไหมนี่ลักษณะเนี้ยว่าเนี่ยทานกุศลก็แข็งแรงแล้ว ศีลกุศลเป็นต้นก็แข็งแรงใช่ไหมนีทรรศหนังนี้จะเห็นชัดเลยว่าอุปสรรคกับกลายเป็นเรื่องที่ทําให้บารมีของท่านนั้นกล้าทําได้ไหมแบบนี้นั่นคือเป้าหมายการเจริญกุศลอุปสรรคกับกลายเป็นตัวช่วยเพราะว่าท่านมองว่าอุปสรรคเหล่านี้มันมาได้บุญของเรานั้นคําว่าขันติเนี่ยเราแปลกันยังไงอดทนอดกลัน้นใช่ไหมอธิวาสนาขันติ ถ้าจะาความหมายกันจริงๆต้องแปลว่ายอมรับได้ด้วยปัญญายอมรับได้ด้วยปัญญาคือเรายอมรับสถานการณ์นั้นได้ด้วยแล้วก็มีปัญญาไข่ควรพิจารณาด้วยเพราะคําว่าขันติเนี่ยเป็นที่ประชุมของคุณธรรมทั้งหมดใช่ไหมถ้าไม่มีขันติตัวนี้แล้วถ้าไม่ยอมรับสถานการณ์นั้นได้ไม่มีปัญญาไข้ควรพิจารณาเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมและเข้าใจที่จะดําเนินชีวิต ต, ต่อไปอย่างไร ขันติมันจะเกิดยังไงว่าขันตินั้นจะต้องมีปัญญาอันอ่นี่เนี่ยใช่ไหมจึงเป็นสภาพที่ยอมรับสถานการณ์นั้นะเอาเนี่ยพวกเราจะต้องเจอนะเจอทั้งสถานการณ์ภายนอกและภายในใช่ไหมถ้าภายในก็คือโรคภัยแข่เจ็บหรือสิ่งที่เราจะต้องโดนกระแทกกระทันจากเบียดเบียนแม้แต่กิเลสทั้งหลายจะต้องมารุมเล้าเนี่ยถ้าภายนอกก็จะเจอเนี่ยสีเสียงกิริรสสัมผัสที่มันเปลี่ยนแปลงวิบัติลงเสื่อมลงสลายลงใช่ไหมมันอาจจะลดลง หรือว่าอาจจะฟูขึ้นใดๆก็แล้วแต่แต่ถามว่ายอมรับคำว่าอดทนตรงนั้นนะี่ยยอมรับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีปัญญาในการที่จะพิจารณาแก้ไขคือไม่ให้ความทุกข์ทรมานจิตใจหรือความโกรธความกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงเนี่ยนะเข้ามาครอบงําใจเราจะทําได้ไหมถึงสถานการณ์ตรงนั้นใช่นั่นแหละ นั้นจิตใจมันไม่แฟบลงเมื่อเจอสถานการณ์นั้นทำได้ไห้โยมสุวรรณได้ไหมได้ใช่ไม <c oughs> จะทำจะทำยังไง <c oughs> คือแม้เข้าใจตรงนั้นเนี่ยคำว่าไม่พอคือว่ามันเพียงแต่รักษาไม่ได้ในจิตตรงนี้แต่ต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของกุศลที่จะเกิดขึ้นต่อไปให้ยิ่งขึ้นคือถ้าเราดูว่าอ้าวอานี่ก็เป็นวิบากนะ มองเข้าใจตรงนี้นะก็วางใจได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสของการที่จะทําภาคเพียนคือขันติเนี่ยเพื่อความรักษากุศลของเราให้ได้อยู่ในทุกที่ทุกสถานเนี่ยเอาธรรมะเอาสิ่งต่างๆเรื่องราวของพระองค์เข้ามาอยู่แล้วก็ว่าเป็นอันนี้เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกฝนแล้วเพื่อให้จิตใจอาจฐานมั่นคงมากขึ้นเป็นวิธีการที่จะฝึกทางจิตภาคเพียนทางจิตเพิ่มขึ้นจะคะ ต ร, ต, รตรงนี้ตรงนี้ก็คือดังกล่าวแล้วว่าทานทานกุศลนั่นงหือว่ากรณีการเจริญกุศลเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเราว่าคำว่ากรรมและผลของกรรมแล้วยอมจำนวนกับมันแล้วก็ไม่ดิน้นรนขนขวายอันนี้มันจะกลายเป็นเฉยชา น, นั่นเองนะต้องระวังตรงนั้นเพราะว่าพุทธญาตไม่ได้สอนให้ใ ห, ให้ให้วางใจประเภทที่ยอมรับแล้วก็กลายเป็นคนท่อถอยหรือว่า หลายหลายเป็นคนที่ว่าไม่เพราะเป้าหมายจริงก็มันเสียกุศลไหม mm. เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นกุศลและจิตมันเสียหายไปไหม mm. แล้วก็สภาพจิตใจนะมันมันดอบลงไหมจากการที่มันมันเคยกล้ า, าหาญในการที่จะเรินกุศลมันกลายเป็นคนอ่อนแอลงไหมหรือกลายเป็นคนไม่สู้อะไรไปเลยหลบๆอะไรไปเลยนี่มันก็มันอ่างั้นกุศลต้องเดินต้องเดินต้องต้องพอกพูนขึ้น ใช่ไหมเพราะสะภาพของกุศลสภาพจิตใจนั้นต้องไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าจะสอนให้หหการการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกการไม่ให้ทานเป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วก็หมายความบอกว่าเมื่อเราให้ให้ให้ไปแล้วแต่ว่าถามว่าแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยการที่เราทําให้จิตที่คิดจะให้ทั้งหลาย เราไม่พัฒนาไปสู่การอภัยทานไม่พัฒนาไปสู่ถึงมหาทานในการให้ความไม่เบียดเบียนในชีวิตในทรัพย์สินให้ความให้ความไม่เบียดเบียนในในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันพัฒนาไปนี่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกฝึกจิตนะยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ให้เนะี่ยเป็นการปรทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วเลยนะประทุษร้ายเลยนั้นชนทั้งหลายก็มีจิตอ่อนโยนแล้วก็น้อมลงโดยปิยาวาจาทีนี้ ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยเฮลิให้ด้ว ย, ห ใ, หวยให้ทานอันหาโทษไม่ได้ให้ไปตามสัตว์บุรุษบัณฑิตกล่าวเป็นธรรมเนียทางไปสู่ไตรทิพท่านทั้งหลายผู้สู่โลกนี้ด้วยทางอย่างนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยถ้ามองในชั้นของคําสอนตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าพระศ า, าสดาก็ตรัสมาดูก่อนพิกตุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวนะ้าเป็นต้นที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อ กษัตริย์พราหมณ์ขเหาบดีมหาศาลเป็นต้นเหล่านี้พอให้ทานเบ็ดเสร็จนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแต่ข้อนั้นเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลเป็นต้นเหล่านี้หรือปรารถนาในจาตุมหาลาชิกาตาวติงสายามาดุสตานิมานารดีปรณิมมิศ ว, ส, วสดตีสูงสุดตรงนั้นเทียนกล่าวไว้ก็คือเป็นพรมเนี่ยนะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก ปรารถนาอย่างนี้โอ๋นอเมื่อตายแล้วเราจะพึงได้ความเป็นสหายของพรมเขาก็ตั้งจิตอธิฐานจิตแล้วก็เจริญจิตอยู่เนี่ยนะตรงนี้ก็ภาวนาอยู่เนี่ยนะตั้งจิตอธฐานจิตเจริญจิตจิตของเขาก็น้อมไปในทางที่ต่ำไม่เจริญยิ่งเมื่อตายไปแล้วก็เท่าถึงความเป็นสหายของพรมแต่ข้อนั้นเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลเนะี่ยไม่ใช่ผู้ทูศีล ของผู้ปราศจากราคะไม่ใช่ผู้มีราคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปราตนาจิตของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตปราศจากราคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุงการให้ทานมีแปดประการตรงนี้ท่านก็ยกตัวอย่างยกว่าตรงนี้เวลากล่าวถึงทานในกุศลท่านบอกว่าฮีเนทิมุตตังน้อมจิตไปนในทางต่าก็คือน้อมไปเพื่อจะบริโภคกามาคุณ ในมนุษย์สมบัติในสวรรค์สมบัติตลอดถึงวัตถุกรรมในพรหมสมบัติใช่ไหมไม่ได้น้อมที่จะหลุดพ้นไปจากฐานะเหล่านั้นก็แปลว่าเป็นการปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปในวัตคามีนีกุศลไปทีนี้ถ้าดูในชั้นของธรรมที่ทานกุศลเ อ, อ่อทให้เกิดขึ้นทาใม้เกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกมากต่ำสามผลต่ำสาม ตรงนี้ก็มาในสูตรนี้ท่านใช้คำว่าวีตราคัตสะก็จะแก่พูดถอนราคะได้มากหรือบุคข่มได้ราคะด้วยาา ด, ว ย, ดวยสมาบัติจริงอยู่เพียงทานเท่านั้นไม่สามารถให้เกิดในพรหมโลกได้แต่ทานย่อมเป็นเครื่องประดับแวดล้อมจิตที่ประกอบไปด้วยสมาธิและวิปัสสนาทั้งหลายแต่นั้นบุคคลผู้มีจิตอ่อนโยนด้วยการให้ทานเจริญพรหมวิหารไปเกิดในพรหมโลก ด้ยเหตุนั้นพระผู้ภป็นพเจ้าจึงตรัสว่าวีตราคัสสะโนระสราคัสต์เป็นต้นนี่ท่านกล่าวถึงว่าผู้ถอนราคะด้วยมรักที่จริงท่านกล่าวถึงนั่นแหละอนาคามีมรักนนในชั้นคําสอนบางอย่างท่า น, ท, านท่านกล่าวตรงนี้ว้ท่านเลยบอกมรักต่ำสามผลต่ำสามแต่เป็นไปในฐานะเป็นอุปนิสยปั จ, จใช่ไหมเออเป็นการอุปธรรมเป็นการอุปธรรมให้เกิดที่จริงให้สังเกตดูนะว่าตัวทานเจดนาทั้งหลายเหล่านี้ เป็นตัวกล่อมขัดเกลาจิตจริงๆนะเออถ้าดูในคําสอนพอถึงพูดถึงทานาเจตนาแล้วท่านมาขับเน้นเรื่องศีลพอพูดถึงทานเสร็จปุ๊บนะท่านก็ประกาศภาษิตของพระองค์ในแจ่มแจ้งเป็นต้นไปตามดับท่านก็พูดถึงทานท่านบอกว่า <c oughs> ดํมระในด้านของทานในข้อสเพราะทําความสะดุ้งกลัวแก่ผู้ให้ทานเป็นเหมือน หัสดีเป็นต้นอะไรนี้นะหัสดินเป็นต้นอะไรนี้ท่านบอกว่าเป็นทางที่เราดําเนินแล้วเป็นวงตระกูลของเราเราบําเพ็ญบารมีสิประการก็เพื่อบาเพ็ญมหายันคือมหาทานนั้นมากมายมหายันข้งเป็นเวลามาทำเราได้ทําแล้วเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นทานากุศลเป็นต้นนะ่ะทำให้ท่านได้สมบัติมีเท้าสักกะของมารของพรหมของจักรพัทสมบัติของสาวกบรารมียานแล้วก็ปัจเจกับโพธียานและอภิสมัมโพธิโพธียานคือการเป็นเวทเจ้า พระผู้ให้ทานย่อมสา ม, มารถจะรักษาศีลได้อันนี้สําคัญมากเลยเห็นไหมว่าท่านใช้คําว่ายะสมาปนาทานังาททันโตสีลังสมาทาตุงเป็นต้นสักโกติเนี่ยนะผู้ให้ทานย่อมสา ม, มารถจะรักษาศีลได้ฉะนั้นพระผู้มีภาคเจ้าจึงตับเรื่องศีลต่อจากเรื่องทานนี่ ใช่ไมมลำดับขัดเกลาจิตจริงๆเพื่อจะพัฒนาเพราะลำดับจากทานแล้วก็ขึ้นมาสู่มหาทานขึ้นมหาทานก็คือการงดเว้นจากการฆ่าจากการลักจากการประพฤติผิดในการเจตนาศีลเน่ยเดินแล้วเพราะอะไรเจตนาในการให้วัตถุภายนอกชัดต่อมาเวลาเจตนาที่จะมาขับเน้นตัววัตถุภายในก็เริ่มชัดขึ้นเพราะที่แรกเจตนาจิตที่จะให้ใช่ไหมเมื่อให้วัตถุได้แล้วทําไมให้ชีวิตคนไม่ได้ เอาและเริ่มแล้วเมื่อให้วัตถุได้ทําไมให้ความปลอดภัยในในทรัพย์สินเขาไม่ได้เมื่อให้วัตถุได้ทําไมเจตนาเครื่องคิดจะให้า ก, การไม่คิดที่จะพลาดคู่ครองของอื่นทําไมให้ไม่ได้เมื่อให้วัตถุได้ทําไมจะไม่มีเจตนาในการที่คิดจะให้คํากล่าวที่เป็นคําสัตย์คําจริงคิดจะให้คําสมัครสมานสามัคคีคิดจะให้คํคาอ่อนหวาน ค, คิดจะให้คําค จ, คจริงเห็นไหม คำที่เป็นอัดเป็นทำคิดจะไม่โลภคิดจะไม่โกรธใช่ไหมคิดจนปัญญาเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นกรรมสกตาสมา ธ, ธิิได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นเห็นไหมฉะนั้นตัวศีลกุศลถ้าไปเชื่อมในในปฏิสัมพิธามัคในศีลกถาก็จะเห็นเลยท่านจัดศีลห้าเลยใช่ไหมว่าเจตนาเป็นศีลเป็นยังไงเจตนาที่งดเว้นจากปาณาติบาใช่ไหม จเจตนาเป็นศีลจเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวิติกามาคือการไม่ก้าวล่วงท่านก็ขับเน้นทุกตัวเลยตั้งแต่จเจตนาเป็นต้นเหล่านี้นะตั้งแต่เป็นปะหานศีลเป็นสังวรศีลเป็นต้นเป็นไปตามแบบวิรติศีลไปจนถึงการไม่ก้าวล่วงการไม่ก้าวล่วงจากปาณาธิบาตไม่ก้าวล่วงอทินนาทานกาเมสุสมิจฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผภปราปะไม่ก้าวล่วงอภิชาพยาบาดแล้วก็ไม่ก้าวล่วงความเว้นผิดนี่นะ ถ้านื้อวอกผู้ให้ทานสามารถจะรักษาศีลได้ฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสเรื่องศีลต่อจากเรื่องทานด้วยการกล่าวรายละเอียดธรรมดาทานเป็นเครื่องสละสมบัติของตนนะใช่ไหมเป็นเครื่องสละสมบัติของตนแก่บุคคลอื่นด้วยอัธยาศัยที่มุ่งจะบำเพ็ญประโยชน์หรืออัธยาศัยมุ่งจะบูชาในทักทีในบุคคล ทีนี้การที่จะอัธยาศัยที่จะบำเพ็ญประโยชน์หรืออัธยาศัยที่มุ่งจะบูชาทักทิยาเยอบุคคลทั้งหลายมีผู้ได้เจ้าเป็นต้นดังนั้นผู้ให้ทานจึงเป็นบุคคลที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่เหล่าสัตว์อย่างแท้จริงฐานะที่ว่าผู้ให้ทานจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือขอโมยสมบัติผู้อื่นจึงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องการจะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นหรือ บ, บำเพ็ญประโยชน์ และอัธยาศัยมุ่งจะ บ, บูชาทักษิเนยบุคคลต้องการจะ บ, บูชาพระเจ้าด้วยทานกุศลใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ได้วยวัตถุด้วยสิ่งของต่างๆเหล่านี้พระธรรมพระสงฆ์เมื่อดังนั้นผู้ให้ทานจึงเป็นบุคคลที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่เ่าสัตว์อย่างแท้จริงฉะนั้นฐานะบุคคลที่ขับเน้นเจตนาที่เป็นไปกกุศลได้อย่างชัดเจนได้อย่างต่อเนื่องทั้งเป็นปุพพาเจตนามุนจัดเจตนาปรารเจตนานะ ทั้งก่อนให้ก็สามารถกระตุ้นใจของตนเองเนะี่เป็นไปได้อย่างมากมายก่อนให้ขณะให้ก็พลั่งพรูออกมาอย่างแท้จริงหลังจากให้แล้วนะ่ะเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิจัยใครควรพิจารณาได้ชัดฉะนั้นฐานะผู้ให้ทานจะมาเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่เลยมันจะน้อมที่จะไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมจะทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไม่ใช่แล้วจะไปขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ใช่แล้ว แล้วก็จะไปพลาดคู่ครองเขามาเป็นของตนเองก็ไม่ใช่จะไปกล่าวคำเท็จจะไปกล่าวคำส่อเสียดคำเหดเขาแตกล้าวกันจะไปพูดคำหยาบจะพูดคำเฟ้อเจอือจะไปโลภจะไปโกรธหรือจะไปเข้าใจในกรรมผิดพลาดนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วท่านถึงบอกว่าผู้ให้ทานจะเบียดเบียนหรือผู้อื่นหรือขโมยสมมติก็อื่นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตัดเรื่องศีลต่อจากทานนักขาทานกุศลว่าผู้ให้ทานย่อมสามารถจะรักษาศีลได้นไหมสามารถจะรักษาศีลแล้วศีลจะแข็งแรงไหมศีลจะแข็งแรงเริ่มที่ผ่านมาไปเดินกันดีไหมว่าไงอา้าวใครไปลองทดลองบ้างลองแสดงทัศนาหน่อยเนี่ยเอาใครดี เอาจดใหญ่เลยลองดูที่ <c oughs> ขออยันจดลองแสดงเหตุ <c oughs> ผลหน่อยเอาว่ามาฮะอ๋อไม่ค่อยได้ยินดิอ้าเอาไม้วาเงนิน อ๋อมีไมเยอะแล้วโอ้โหเล่มซ่อนไม้นี่ อ, า อ, า อ, าอ้าวจะไปฝึกยังไงบ้างอยากดูความคืบหน้าของทานตกุศลเลย ไม่มีใครพูดแล้วมีไม่มาตรงนี้อแสดงว่าบุญมาถึงแล้วจะได้แสดงทานในคถาโอ้โหใช่ไหมก็ก็ฝึกปียคานนางค่ะท่านอาจารย์อันนี้ก็หัดหัดอยู่ค่ะบางทีก็เลยพบว่าของก็ไม่ได้สําคัญแต่เราก็ไปยึดเอาไว้ว่าเก็บไว้ตั้งนานและอะไรเงี้ยบางทีหนังสือก็ไปห่วงเงี้ยเจ้าค่ะ หนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สังเกตใจเลยว่าทะเลาะกันก็ก็ฝึกให้ไปเลยเจ้ะค่ะอันนี้แล้วก็จะก็จะเห็นชัดเรื่องเรื่องเรื่องการที่สังเกตใจโดยเฉพาะที่ท่าอาจารย์พูดถึงปิยาธาหนังค่ะราถ้าเป็นสหายทานถ้าเป็นทาสถานก็อันนั้นก็ระมัดระวังยิ่งขึ้นว่าไม่ไม่บังควรค่ะ ก็จะให้ของที่ประนี่กับคนอื่นแม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเน้นตัววัตถุหรือเน้นเจตนาเน้นเจตนาทุกค่ะก็มามองใจตัวเองนะคะก็เลยฝึกสังเกตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะพระจังค่ะโดยแล้วก็เรื่องของการเรื่องวาจาเรื่องวาจาเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นครูต้องระมัดระวังมากจะพูดก็ตั้งหลักว่าจะพูดอะไรกัะเริ่มมานานนี้ยังค่ะ โอ้โ pearls, ต้องใช้คำพูดทุกวันเลยนะให้สังเกตตัวไหมเวลาจะมาพูดทานกุศลศีลกุศลพูดไม่ค่อยออกแต่พูดเรื่องอื่นพ ah> ูดได้ทั <t <t ้งวันพูดได้ทั้งวันค่ะใช่ก็ะอะไรอ่ะก็เพราะว่าไหลไปกับกิเลสน่ยท่านอาจารย์อ๋อขาดการโยนิสงฆ์มณสิการที่ดีค่ะก็ได้ได้ฝึกก็สังเกตว่าจะสำรวมบาจาเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าต้องต้องฝึกสังเกตบ่อยๆแต่ก็หลุดก็มีจช่ไ อย่างอย่างนี้ถือว่าถือว่าพัฒนาขึ้นเนาะก็ถ้าเข้าข้างตัวเองก็ใช่ค่ะแต่ก็มีหลุดเจ้าคะบางทีก็ <c oughs> ห, ลหลุดกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะก็กนาล่องแล้วนะคะเชิญ<อ>ท่านเชิญท่านอื่นข้างๆไงเมครับเมผมไม่เรียกชื่อแล้วมออกมาอยากฟังไงเพราผ่ากนก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> โยมยังสงสัยเรื่องทาตุทานนะเจ้าคะ่ะออคือถ้าเผื่อว่าเราใช้ไม่ได้แต่ว่ามันยังเป็นประโยชน์แต่คนอื่นเนี่ยยังถือว่าเป็นทานกุศลนะบ่าเจ้าค่ะครั้งหนึ่งโ ย, ย, ยมโยมให้เสื้อผ้าที่โยมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแต่ไปถึงเนี่ยแล้วเขาเขาเขาโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยเขาใส่ไปงานเลยนะถือเป็นของใหม่ของเขาเลยโยมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นทานกุศลนะบ่าเจ้าค่ะ คือคือคือท่าสถานในการทําบุญด้วยเครื่องบริโภคที่ที่ที่ท่านใช้คําว่าต่ํากว่าของที่ตนเองใช้ของตนบริโภคใช่ไหมคำว่าท่าสถานอันนั้นท่านพูดตัววัตถุ ก, ก่อนเนาะพูดตัววัตถุ ก, ก่อนแต่แต่การขับเน้นเจตนาต้องเข้าใจว่าเราเห็นว่า วัตถุชิ้นนี้เป็นประโยชน์แก่เขามากจริงๆฉะนั้นเป้าหมายอยู่การวิจัยปัญญาที่วิจัยเข้าใจกรรมและผลของกรรมเข้าใจว่าเป็นประโยชน์แกเขาเขาได้ใช้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ปุพพะเจตนาของเราเนี่ยจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ระดับอย่างนี้เลยระดับสหายาทานหรือกรปรณีทานเนี่ยเราก็ให้ได้เราไม่ได้ไปติดข้องตรงนั้นหรอก แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยเราก็ต้องรักษาคนด้วยเหมือนเช่นเราจะให้คนบางคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกุศลทั้งหลายเช่นมีลูกน้องเราอยากจะให้ของเขาเนี่ยแต่ไปให้ของที่เลิดเกินไปเป็นเหตุทำให้เขาเสียคนเนี่ยเป็นไหม ม, มันเกิดจากปัญญาเกิดจากความเข้าใจนาร่องไหมมันเกิดจากความเข้าใจไงเมื่อเกิดจากความเข้าใจนะมันเลยฝึกฝนไม่ใช่แค่ให้อย่างเดียวใช่ไหม ไม่ให้แค่อามิสสถานอย่างเดียวเราให้ธรรมทานกับเขาว่าทําไมคุณต้องได้ทําไมเราต้องให้ที่เราให้เพราะเราเห็นอา น, นิสงส์ของการให้ถ้าถ้าการให้แล้วมีการบอกข้อมูลเขาเนี่ยเขาจะเริ่มเออจริงด้วยเพราะเราเราเราเห็นอา น, นิสงส์ของการให้ว่าการให้มีผลที่เลิอดผลที่เลิอดก็คือว่าถ้ายังเวียนไหวาตายเกิดก็ได้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทํามอารมณ์ที่เลือดไง แต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะเดินไปในว่าตาที่สุดจริงๆเป็นปัจจัยกับการพ้นจากวัต่ทุก์ไม่ต้องมารับสิ่งเหล่านี้ด้วยอันนั้นก็ว่าอีกทีหนึ่งแต่เราเห็นไงประโยชน์ว่าเราไม่ค่อยขัดสนเกี่ยวในเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจัยสีทั้งหลายเหล่านี้เพราะเป็นเป็นผลจากเขตุในอดีตดังั้นการให้ไม่ใช่ให้แค่วัตถุทานใช่ไหมเราให้ข้อมูลให้ความเข้าใจการให้อย่างนั้นน่ยแปลว่า ไม่ใช่แค่สิ่งของแล้แต่เราขับเน้นความเข้าใจให้เขาทีนี้เมื่อขับเน้นความเข้าใจเนี่ยต่อไปเนี่ยว่าเราก็ดูฐานะที่เขาควรรับเรารู้ว่าเขาอยู่ในสถานะอย่างนี้ใช่ไหมเขาได้อย่างนี้ก็เป็นบุญบางคนเป็นบุญของเขาแทบร้องไห้เลยใช่ไหมทั้งชีวิตไม่เคยได้สิ่งของอย่างนี้เลยทั้งๆ ท, ที่เป็นของเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเราเลยแต่เขาถือเนี่ยมาเคยไป เหตุเนี่ยนะบางคนนี่กอดแน่นอยู่ไงกอดอยู่อย่างนั้นแหละถามว่าทําไมเขาไม่เคยได้เลยนะอย่างเงี้ยเขาไม่เคยได้เลยไอ่ไอ่ไอ่อย่างเงี้ยเรามองอขนาดนี้เลยอันนี้ผ้าชิ้นเดียวเนี่ยนะแต่ความรู้สึกของเขาเขากอดแน่นเขากอดแน่นอย่างเงี้ยนะเราเราเข้าใจเขาอันนั้นมันก็ถือว่าอะไรถ้าระดับบุญของเขาเนี่ยมันก็บุญเลิศเลยใช่ไห ม, มเพราะว่าเขาอยู่ในสถานะอย่างนั้นแต่เราเข้าใจก่อนไง นั стати, to, ้นความรู also, minds, ้ความเข้าใจตรงเนี้ยมันไปไปทําให้ใจของเราในปรานิธิได้ก็เหมือนตอนที่อนาถาใช่ไหมมีของที่ตกต่ําก็ใจตอนนั้นก็ถามพระศาสดาพระศาสดาก็บอกว่าจิตใช่ไหมของไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตที่ประดับจิตที่ปรุงแต่งอย่างดีแล้วตรงนี้เรามองบุคคลที่ควรจะรับแต่ไม่ได้มองสิ่งของตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า ยิงอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเขาจะเป็นบุคคลที่ควรจะบูชาเช่นพระเจ้าเป็นต้นเีย น, นะบูชาบุคคลที่บูชาจะเราไปให้ท่าสถานเนี่ยเียอันเนี้ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เป็นระดับสหายาทานอันนี้ให้อย่างเงี้ยหรือให้สามีทาคาว่าสามีทานเนี่ยคือเครื่องพวกที่ที่ตนใช้ตนบริโภคดีกว่าที่ตนเองใช้ตน ก็แปลว่าตนเองเป็นเจ้าเป็นเจ้าของทานเป็นเจ้าของเจตนานะในตัวเจตนาขับเน้นว่าของที่ดีเลิศทั้งหลายแต่ตนเองเนี่ยนะกลับไม่ติดยึดกับของที่ดีเลิศกลับน้อมเป็นสละน้อมที่บูชาถ้าเราดูอย่างนี้นะว่าพระศ า, าสดามีพระคุณมากฉะนั้นการที่เราได้ผ้าที่เลิศอย่างนี้ จะนอมสักการะถวายพระพุทธเจ้าได้อาหารที่เลิศใช่ไหมได้วัดถูปัจจัยสี่ที่เลิศได้ที่อยู่อาศัยที่เลิศแล้วเธอถวายพระศาสดาบางคนสังเกตนนะคนโบราณสร้างวัดดิตอนเองอยู่กระตอมมันสร้างวัดอย่างงามนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยชัดเลยอย่างนี้นะั่านบางคนโอ้โหทำไมทําไมต้องสร้างกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ลองดูโบราณ ท, ที่พังไปอะไรไปดูลองถ้าคนดูแปน่นดูอะไรต่างๆเหล่านี้ออกจะเห็นชัดว่าความงดงามขนาดดูแต่หลักแต่ตอแต่อะไรก็ลงมาคํานวณดูโอ้โหทำไมมาหือมาขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรนะทั้งท่านที่ยุคนั้นนะ่ะวัตถุอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ไปบูชืช่นชมวัตถุอะไรกันเยอะแยะแต่ทำไมเขาปราณีตขนาดนะั้น ใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้รักระดับสามีทานแล้วฉะนั้นการให้ตรงนี้เราก็เราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้ถูกนนเนี่ยอย่เมื่อกี้ามาให้แสดงทัศน์นอามาเลยลืมไปเลยเนี่ยอแต่เอ า, เ อ, า อ, อ่ะตอยเี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อลองถามหน่อยเข้าใจในทานแค่ไหน ทานกุศลตอนนี้เริ่มเข้าใจยังเข้าใจจ้ค่ะหลายวันเลยนะ <c oughs> อาแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วที่เข้าใจนะเข้าใจเรื่องอะไร <c oughs> ออกมาแล้วไม่ก็ยังไร ข้างหลังอะใ่ครับโไม่เอาเลย <c oughs> ไม่จะได้ผ่านไปถึงศีลใช่ไหมเพราะเข้าใจแล้วใช่ไหม เออเดคือเดินทานกุศลคล่องแล้วไงใช่ไหมคร่องทุกมุมแล้วทุกอารมณ์แล้วอะไรเ ง, งี้ยนะใช่เพราะนึกว่าคล่องแล้วคล่องตรงกแล้วใช่ไหมไม่ถ้าไม่มีใครหัวหน้าต้องรับผิด ช, ชอบ <laughs> ใช่มต้องรับผิด ช, ชอบใช่ <laughs> เปิดเปิดไม่เอาเอาทานก่อนอย่าเพิ่งขึ้นศีลเอาทานก่อนไม่คือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์ต้องการให้เรารู้ว่าเป็นศีลยังไง ทานเนี่ยคือการให้การบริจาคช่วยเหลือเพื่อกูลคนอื่นสมมติเราให้อย่างใดอย่างหนึ่งเ อ, อบุพเพเจตนามันต้องมีก่อนให้คือคิดว่าให้แล้วเขามีประโยชน์ไหมเขาไปทําสิ่งไหนมีประโยชน์เราก็ควรให้เขาสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มุนจะเจตนาตอนให้เนี่ยเราก็ต้องชื่นใจดีใจแล้วคิดถึงอารมณ์นี้เมื่อไหร่ก็ อระเจตนาเราก็ดีใจที่ว่าเราให้ไปแล้วก็ที่ว่าเป็นสีเนี่ยสมมติว่าเราให้เขาไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นอาหาร เ, เป็นโภชนาะที่เขาทานไปเนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพาเวลาเดียวกันเราก็ต้องมานั่งไตรตรองตัวเองว่านี่ทำให้เราชีวิตเราก็ เออทำให้เรามีชีวิตยาวขึ้น เ, เราไม่ได้เบียดเวียนเขาเขาเขาเราเราก็จะไม่มีใครมาเบียดเวียนเราพวกนี้สีนะ่ะมันจะมาตามลำดับถ้าคิดไปเรื่อยๆนะครับใใหลายๆอย่างครับเอาแค่นี้นะครับ ม, ม, มีมีมีใครหือป่าไม่รู้ถามเล กี่บธรรมะสการค่ะท่านพระอาจารย์ hey, <everyone. S 1> อยากจะเรียนถามนะคะว่าที่ท่านพูดถึงทานกุศลนะคะที่ขับเน้นเรื่องเจตนาทา น, นะคะตัวที่เป็นนามธรรมน ะ, ะนี้ในการที่เราจะพิจารณาอารมหกนะคะที่บอกว่าในตัวอารมห6เนี่ยมันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏภะและธรรมารมนั้นในตัวอารมหกเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม hey, <everyone. S 1> ใช่ไหมคะ hey, แล้วเวลาที่เราจะพิจารณาทานคือเราจะมองไอตัวทานเจตนาทานที่เราให้เนี่ยเป็นปรมัตธรรมหมดเลยใช่ไหมคะแล้วในการที่เราจะแยกแยะไอตัวรูปธรรมกับตัวนามธรรมนี่คะ่ะที่จะให้เข้าถึงกุศ ล, ลจิตุบาทในที่เป็น นำ ม, มาทำจริงๆโดยมองทะลุจากรูปธรรมนั้นนะคะคือทัดภาษาไทยไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ถามคำ<ห>ถามไม่เข้าใจอ่ะแต่จะทำยังไงที่จะมองให้รูปมองให้ให้ทะลุอ่ะมอง มองได้ให้ให้ให้มันทะลุผ่านให้เป็นนามธรรมโดยที่เอาอารมณ์ทั้งหกเนี่ยที่เป็นปรมาธรรมทั้งหกเนี่ยค่ะโดยมีโดยมีเจตนาที่เป็นเออเจตนาเจตสิกเนี่ยที่ที่เป็นตัวหัวหน้าเป็นตัวประธานนะคะเพราะก่อนที่มีเจตนาเราต้องมีมรจิการก่อนเรามีเจตนาเราจะมีฉันทะในการที่จะ มีความปรารถนายิ่งที่จะทำสิ่ง น, นั้นให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีวิริยะแล้วก็เอาตัวอัญญสมานาเจตสิก13ตัวเนี่ยเอามาเข้าร่วมสัมปยุตกับตัวเจตนาด้วยแล้วก็นำโสพนาเจตสิกทั้ง25ตัวประกอบด้วยนี้ ถ้าเชื่อมโยงไม่เป็นว่าเราจะเอาไอ้ตัวที่บอกว่าเน้นนา ม, มาธรรมเน้นท่านจะพูดแต่ว่าเน้นไอ้ตัวที่เป็นไอ้ตัวที่เป็นนา ม, มาธรรมที่เจตนาทา น, ท, านที่เป็นทานอกุศลในกุศลแจิต oh. ดุบาน <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ที่ไปกําจัดตัวโลภ <c oughs> นะฮะกิจของมันคือไปกําจัดตัวโลภ <c oughs> นะคะ แล้วเราจะทํำยังไงที่เราจะเชื่อมคําถามไม่ค่อยคือคือยังไม่ยังไม่เข้าใจที่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะมองให้มันเป็นนามธรรมทั้งหมดโดยที่มองเอาอารมณ์ทั้งหกเนี่ยค่ะให้เป็นนามธรรมทั้งหมดเพราะว่าท่านขับเน้นที่นามธรรมอะอค่ะอ๋อคืออย่างนี้นะ <c oughs> พอพอจะจับประเด็นได้เงี้ยก็คือว่าทับฐานคําถามไม่เป็นนะฮะแต่ขอโทษนะคะคือคือเกี่ยวในเรื่องของอในเรื่องของคคุณเวลาเวลาประเด็นประเด็นที่ถามสืบเนื่องเกี่ยนเรื่องคําว่าเออารมณ์หกด้วยเนีเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์หรือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำอารมณ์ถามว่า ที่จริงในด้านของทานเนี่ยนะเช่นจีวราทานก็คืออารมณ์หบินทบาททานก็อารมณ์หเสนาสนะทานก็คืออารมณ์หเพสัชฉทานก็คืออารมณ์หถ้าจีวราทานใช่ไหมก็มีสีมีเสียงเสียงของจีวรที่ใช้สอยแล้วก็มีสีเสียงใช่ไหมก็คือมีกลิ่นมีรส รถของจีวรจริงๆท่านขับเน้นการไปบินธบาตแล้วได้อาหารมาเป็นรถเปรี้ยวหวานมันเค็มได้สัมผัสคือความเย็นความร้อนที่เกิดขึ้นสนธรรมอารมณ์นั้นท่านขับเน้นตัวสองตัวตัว ว, วิตามินโอชาที่ได้จากอาหารกับตัวอโปธาตุที่อยู่ในจีวรเป็นตัวเชื่อมโยงทาให้เกิดจีวรเนี่ยนะทีนี้นั้นในด้านของจีวรที่เรามองเป็นยบ กว้นาดนั้นไม่ไม่เฉพาเอาถึงตัวบรรยัตินามาทําด้วยเอาตัวบรรยัติด้วยอันนี้อ่อใช่บัญยัติด้วยบัญญัติด้วยนะจริงๆริงมาพูดที่จริงท่านลากยาวนั่นแหละแต่มาพยายามย่อๆตรงนี้นะที่จริงท่านลากไว้ยาวในอัตสารีนี่อะไร่าท่านก็ลากยาวไว้แต่ว่าจริงๆในรายละเอียดจริงจรนั้นท่านว่างวางมุมไว้ชั้นสั้นสั้นแต่เราต้องฝึกปฏิปโตน่ะที่จะมาใช้ให้ได้อะฝึกปฏิปโต่อที่ต้องมาใช้ให้ได้ ท่านจะทำปฏิบัติต่อไว้น้อยๆนะแต่เราจะต้องเอามาปรุงแต่งให้เข้าใจเชื่อมโยงให้ได้นะค <c oughs> ือทีนี้ถ้าบินทบาทานอาหารก็มาแยกเป็นหกใช่ไหมเสนาส น, นะก็คือหกเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ตัวเพศสัจจทานยาทั้งหลายก็เป็นแยกมบเป็นหก <c oughs> ทีนี้จะถามว่าที่อันนี้เป็นตัววัตถุทานใช่ไหมเพราะวัตถุทานทีนี้มอมาขับเน้นตัวทุกกะ ทานก็นหมวดสองก่อนนะและจะค่อยๆเชื่อมไปนะท่านวัตถุอมิสทานกับธรรมทานทีนี้มาเชื่อมอีกหน่อยสาหติทานก็คือการให้ทานด้วยตนเองกับอนัตติกาทานก็คือให้ผู้อื่นทาแทนอันนั้นเลออันไหนเลกกอเกอร์กันเดี๋ยวค่อยว่ากันสัมปชานะทานการทําบุญที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเริ่มเลยไหมเห็นไหมด้วยความรู้ความเข้าใจผลของการกระทําอสัมปชานะทาน การทำบุญโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเดี๋ยวขับเน้นสองตัวนี้ก่อนเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะเราจะเข้าใจเข้าใจให้ทะลุอย่างไรในเรื่องของฐานจำไว้ว่า อ, อขับเน้นนมามธรรมเป้าหมายจริงๆก็คือวัตถุเนี่ยวัตถุเนี่ยเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การทําให้กุศลกุศลธรรมซึ่งมีเจตนาเนี่ยเป็นประธานเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นมากๆ วัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยเออถ้าจำได้ไหมที่บอกว่าข้าพเจ้าได้ให้ดอกไม้แล้วหนึ่งดอกแต่ผลอันเลิศเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าไม่รู้จากคำว่าทุกติเลยอะ่ะ